เคยคุยกอาจารย์พูดเหมือนนั้นเป็นจบเรินจาเอกทางด้านวิชาทางนิสัยเป็นเคยเล่าว่าตอนเป็นนักศึกษาไปเรียนที่ตาประเทศเมื่อสักสามจุดกว่าปีที่แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีคราวหนึ่งทางมหาเทลลยนิ ม, มนต์พระทิเบตมาบรรยายที่มหาเทลลยอาจารย์ก็เลยมอบไม้ให้นักศึกษานักศึกษาไทยคนนี้ไปช่วยดูแลต้อนรับเพราะเห็นว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันทจริงนักศึกษาไทยวันนี้หยืออาจารย์ ที่ว่านก็เป็นชาวคริสต์เป็นคริสเตียนแต่ว่าเป็นคริสเตียนที่จใจกว่าอาจารย์ให้นักศึกษาไทยไปดูแลพระธิเดาอยู่ได้สาก 3-4 วันก็เกิดความประทับใจพระธิดาเพราะว่าท่านมีกิริยามารยาสงบ ต่เมตสงบแบบคล่นผ่อนคลา ย, ายสบายยแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกได้ถึงพลังมีความสมบและมีเมตตาเคยเลยได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับาาศาสนาพุนนทธอทิเบรแล้วก็เรื่องวัดของท่านในอินเดีย าตยฟังแล้วเขารู้สึกประทับใจก็เลยบอกว่าเลยถามพระธิดาว่าถ้าจะไปถ้าเรียนจบแล้วนี่จะไปขออยู่พักอยู่วัดท่านสักระยะคุณงจะได้ไหมพระธิดก็ถามว่าสมัยผมอยากจะไป พักที่วัดองคตธรรมานศึก ษ, ษ, ษาช า, ก า, ายก็บอกว่าอยากจะไปหาความสงบเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยหรื อ, ร อ, รอที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ปฏิบัท่านก็เลยบอกว่าถ้าเมืองไทยหรือที่กรุงเทพมีหาความสงบไม่เจอก็คงไม่ไม่มีทางเจอที่วัดของท่า น, นกัน คำพูดตรงนี้นี่ทำให้หนักศึกษาไทยคนนี้ได้คิดขึ้นมาแล้วก็เลยพอเรียนจบกลับไปเมืองไทยก็ก็เลยอยู่ที่เมืองไทยได้คิดจะไปสอยหาความสงบที่ไหนเพราะว่าก็ได้คิดว่าที่จริงแล้วความสงบนี่ที่แท้จริงมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละ ถ้าตัวเราหาความสงบไม่เจออยู่ที่ไห น, นไม่ว่ากรุงเทพหรือว่าที่มี่ก็ตามก็คงจะหาความวาางสงบได้ยากคนเรานี้เนี่ยหรือนี่เราไปฝ่าไปแสงหาความสงบนอกตัวกบนเยอะเราชื่อว่า ถ้าไปที่นั่นที่นี่เช่นไปในป่าหรือว่ามาอยู่วัดแล้วจะมีควาสมสงบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักอาควาสมสงบในจิตใจของเราถึงไม้อยู่วัดก็ผมไม่พบกับควาสมสงบฉะนี้สำคัญมากถ้าเราจะเอาเราจะไปแสวงหาควาสมสงบนอกตัวเนี่ย มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของช่วงครั้งช่วงคราวช่วงครู่ช่วงยาวไม่ว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในชนบทมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นยังนม่ไเรามาอ ย, อยู่วัดบางคนก็สามารถไกลนะถึงนี่ก็ยังไม่ได้ค่อยได้ยิน ควมสงบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีเสียงเสียงเครื่องยนต์ทำงานตลอดวันกัางคืนก็ยังมีเสียงเครื่องปั่นไฟหรือมอเตอร์ทำงานบางทีก็มีเสียงก่อสร้างเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถ1ิล้อหรือว่าเสียงเด็กมาวิ่งเล่นกัน มาดูปรามาดาูดูสัตว์นะในวัดเนขาดมาอยู่ถึงวัดป่าสุโกโตโอยู่ในป่าก็ยังมีในคนะเสียงที่มารบ ก, กวนแต่ว่าเสียงที่รบ ก, กว น, นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่แตนะ่ถ้าใจเราสงบ หรือว่าถ้าเราวางใจเป็นให้เสียงดังก็ทำอะไรจริตใจเราไม่ได้นักปฏิบัตินะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไปแสวงหาความสงบหรือไปคาดหวังความสงบจากสิ่งภายนอกนะเราจะผิดหวังเพราะว่ามันจะไม่มีทางที่จะสงบไปได้ตลอด แล้วเราก็จะพอเราไม่สงบที่นี่แล้วเราเร า, เราทำยังไงเราก็ไปหาที่สงบแห่งใหม่มันก็ได้สงบชั่วคราวการปฏิบัติไม่ใช่คือมาหาที่สงบแต่การปฏิบัติก็คือการที่เราสามารถจะสงบได้ในทุกที่ต่างกันนะการปฏิบัติไม่ใช่มาหาภาคสงบ จับสถานที่แต่หมายถึงการพบความสงบในทุกที่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้หรือว่าสามารถจะทำอย่างนี้ได้เราก็จะเป็นอิสระใจเราไปเราใจจะเป็นอิสระอิสระจากสิ่งแวดล้อมภายนอกถ้าใจเรายังผูกติดกับสิ่งภายนอกอยู่ หมายความว่าเราจะสงบได้ก็ต้องมอสิ่งแวดล้อมภายนอกสงบอันนี้เราก็จะไม่สามารถจะมีความสงบโปรง่งเบาได้เลยการปฏิบัติจะต้องทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกให้ได้มากที่สุดจะเรียกเป็นอิสระจากโลกก็ได้คำว่าโลภุตระโลภุตระธรรม หรือทำให้หมายถึงทำที่นำให้เกิดการอยู่เหนือโลกโลกุตตะละคือเหนือโลกไม่ใช่รอยจากพื้นโลกแต่หมายถึงอยู่เหนือการกระทบกระทั่งของโลกเสีนะเสียงดังมันก็ดังไปเราไม่เดือดร้อนด้วยเสียงดังดังภายนอก แต่มันก็หยุดพอมาถึงใจมันก็หยุดมันกระทบหูแต่มันไม่กระทืออถึงใจนะเพราะใจเรามีธรรมะใจเรามีสติใจเรามีปัญญาเราไปปลูกปา่าไปเดินธรรมยาตราเจอแดดร้อนมันก็ร้อนแค่กาย แต่ว่าไม่ร้อนไปถึงใจมันแค่เดือดเนื้อแต่ไม่ร้อนใจเนื้อจะเดือด mm. แต่ใจไม่ร้อนเรามีภาษาไทยว่าเดือดเนื้อร้อนใจอันนี้คนธรรมดาพอมันเดือดเนื้อแล้วมันก็ร้อนใจอาจจะนักปฏิบัติธรรมมันจะร้อนแค่ไหนมันก็ร้อนแค่ทำให้เนื้อเดือดหรือเดือดเนื้อแต่ว่าไม่ร้อนใจอันนี้เรียกว่าใจร้นเนี่ย อยู่เนือโลกนะหรือว่าเป็นอิสรนะจากโลกเราต้องกินต้องอยู่นะเราต้องอากาศหายใจยังต้องกินข้าวอันนี้ในส่วนกายเนี่ยเรามันส่วนกายเราไม่สามารถใจแยกออกมาต่างหากจากโลกได้เราก็ต้องพึ่งพาโลกจิตใจเราก็เหมือนกันในบางเรื่องเราก็ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเช่นวิชาความรู้เราก็ต้องฟัง ต้องศึกษาต้องเรียนรู้จากผู้มีความรู้นะต้องพึ้นพาศัยกันเราต้องมีกัลยะาณมิตรนะแต่ว่าในเรื่องของความสุขและความทุกข์นี้เยเพราะสุขความสุขใจนะมันต้องสามารถจะเป็นสุขข้างในได้ทึงแม้ว่า โลกข้งโลกภายนอกนี้มันจะวุ่นวายนะมันจะวุ่นวายแค่ไหนการปฏิบัติธรรมหรือถึงแม้จะไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแต่เป็นผู้ที่ปรารถนาความสุขในชีวิตก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็น อ, อิสระจากสิ่งภายนอก ความสุขของเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอกนี่มันไม่ได้เลยนะเพราะสิ่งภายนอกเนี่ยมันเป็นไปด้วยควา ม, วามผันผวนเปลีนแปรไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนไม่ว่าเราจะมีอำนาจแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะควบคุมสิ่งภายนอกให้มันถูกใจเราได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตให้เป็นไปตามใจเราได้ เราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าคนที่อยู่รอบตัวเราก็เป็นคนดีนะไม่สามารถจะเลือกได้ว่าคนที่ทางนานกับเราต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าอากาศมนะันต้องนะสบายๆนะไม่สามารถจะเลือกได้ว่ารถจ ะ, จะเดินทางไปไหนนี่มันก็ต้องราบรื่นนะไม่มีรถติดนะไม่มีปฏบิเหตุนะ เรืองไม่ได้ว่าจะไม่จะไปอยู่ในที่ ท, ที่มันปลอดภัยแม้แต่ร่างกายเราเองเราไม่สามารถจะเลือกได้หรอว่ามันจะต้องหนุน้องสาวไปตลอดเราไม่สามารถจะเลือกให้เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกใจเราได้ น, นี่เราต้องจอรับความจริงแต่เรายังเลือกได้นะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับมันนะหรือว่าเราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมากระทบกับเราหรือยอมให้มันมีที่คนต่อเราแค่ไหนอย่างความเจอความป่วยเนี่ยมันก็บางทีก็ไปรุนสุดที่ใส่นะ เราดูแลรักษาสุขภาพดีแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเชื้อโรคบางตัวที่เราไม่เคยเจอมาก่อนภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็ไม่เคยเจออย่าเช่นโรคหวัดบางชนิดโรคซาโรคหวัดนู่เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องป่วยหรือว่าขนาดเราดูแลรักษาตัวดี ก, วก็ปรากว่ามันก็ยังมีเชื้อมะเลงก่อตัวขึ้นมาในร่างกายของเรา อันนี้เราควบคุมไม่ได้ไม่สามารถจะควบคุมได้เต็มที่แต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะทำยังไงกับมันเช่นว่าเมื่อเจ็บเมื่อป่วยแล้วเราก็เลือกได้ว่าเออเราจะรักษามันอย่างไรดีจะไปหามหมอที่ไหนดีจะใช้การแพทย์แผนใหม่หรือว่าการทยทางเลือกดีอันนี้เราเลือกได้แต่นเร่องท่สำคัญทั้าแบอันที่สองคือว่าเราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมากระทบใจเราแค่ไหน หรจะยอมให้มันมามีทิพลดติดใจต่อชีวิตของเราแค่ไหนอย่เช่นเมื่อเจ็บป่วยนะเราเลือกได้ว่ามันป่วยกายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยนี่เราเลือกได้นะเราเลือกได้ถึงแม้ป่วยกายแต่ว่าเราก็ยังทํางานใช้ชีวิตปกตินะไม่เอาแต่นอนส่งหรือว่าจอ้องจมอยู่กับความทุกข์คลั่งควยมาทําทไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้น บางคนนี่เพียงแค่รู้ข่าวเท่านั้นแหละว่าเป็นมะเร็งก็ไม่มีที่อะไม่มีแรงแนละ้วทำอะไรไม่ถูกกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งนั้งที่เป็นแค่ระดับเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าเลือกเลือกที่จะยอมให้มะเร็งมันมาครอบงำชีวิตเรานะมันไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งเราจะต้องทุกเ์โดยอัตโนมัตินะ แต่ถ้าเป็นมะเร็งแล้วหรือรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วทุกข์ขึ้นมาเนแสดงว่าเราเลือกที่จะทุกข์ฉะนั้นที่เราสามารถจะเลือกให้เป็นสุขได้ก็มีหลายคนก็าก็ยังสามารถเป็นสุขได้ทำมาอากีนได้อาปกตินะแล้วก็เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากมาันก็คือว่าเออเป็นมะเร็งนะก็เลยถือโอกาสพักงานซ ะ, ซะเลยนะเอาเวลาที่เหลือนี่มาปฏิบัติธรรม นะเรียกว่าระดมความเพียรเพื่อได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความทุกข์พอปฏิบัติธรรมก็ เ, เลยมีความสุขขึ้นมาคนที่บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งไม่มีเยอะนะโชคดีที่เป็นมะเร็งบางคนนี่มีหมอคนนึงบอกว่าเจอบอกพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมรู้สึกแรกก็กคือว่าเออโชคดีนะ ที่เรามารู้ตอนนี้เพราะว่ามะเล็งมานเ่งเปิดเครื่องเป็นอันดับซึ่งเป็นระยะที่1ระยะที่2โชคดีนะที่มารู้ตอนนี้นะเรายังมีโอกาสรักษาได้อยู่คุณนะหมอท่านนี้ก็บอกเ อ, อโชคดีเหมือนกันอันนี้แสดว่าก็เป็นการเลือกนะเลือกที่จะไม่ทุกนะเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งเราเลือกได้นะแต่บางคนก็ไม่ยอมเลือกนะคือยอมให้มะเร็งเข้ามาครอบงำงจิตใจ ยอมให้ความเจ็บป่วยเข้ามาครอบงำจิตใจอันนี้รวมเรื่องอื่นด้วยนะใช่เรื่องความพังพ่าวสูญเสียเงินหายทองหายรถหายหรือว่าคนรักตายจากนั้นเราก็ยังเลือกได้นะว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมเลือกเลยเราก็จะก็ถูกมันมันเลือกมันกําหนดมามันบงการให้เราแทนมันมาบงการให้เราทุกข์ ความเจ็บความป่วยความพลัดคาสูญเสียมาันมาบงการให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมเราเลือกได้มีคนมึงใจเป็นคนติการอภิการจีิหจงหาวใจกำพลเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดเกิดมาเนี่ยไม่มีแขนไม่มีขาที่จริงมีเหมือนกันแต่ขานี่แค่สี่ห้าเซนสี่ห้าเซน มันก็เหมือนก็ไม่มีขาแขนก็มีประมาณไม่ถึง10เซนมันก็มือนก็ไม่มีนะแต่เขาเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่าอ า, อาจจะไม่คพ่อแม่เนี่ยเ ข, เขาเขาเลี้ยงเขาไว้ดีแม่ไม่รู้สึกเสียใจนะที่เห็นเขาที่เห็นลูกนี้ขาขุดแขนขุด ทันทีที่แม่เห็นแม่ก็บอกโอ้ลูกนี้ลูกน่ารักจริงแม่ก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเองนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่อับปลักกะไรเขาก็เลยเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษแล้วก็ตอนหลังนี้เขาก็โตขึ้นมาจนกระทั่งอายุสัก30สตอนนี้ก็สี่ิบแล้วมั้งเขาเขียนหนังสือเรื่องชื่ อ, อว่าไม่ครบห้า ไม่ครบห้าคือว่ามีแต่หัวแต่ไม่มีไม่มีแขนสองขาสองเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยฉันเกิดมาพิการแต่ฉันก็มีความสุขและก็สนุกทุกวันนะเขาเขียนอย่างนี้นะฉันเกิดมาพิการแต่ฉันก็มีความสุขและก็สนุกทุกวันนะอันนี้เขาเขาทำได้ยังไง เขาทำได้เพราะเขาไม่ยอมให้ความพิการนี่มันมาบงการชีวิตเขาเขาไม่ยอมให้ความพิการมายัดเยกความทุกข์ให้เขาเขาเลือกที่จะสุขมากกว่าทุกข์นะถ้าเป็นเรานี่นะขนาดแคนะ่มีแผลนะหรือว่าปวดฟันหรือว่าปวดขา บางทีไม่ต้องถึงขั้นนะั้นหรอกแค่เป็นสิวแค่นั้นแนหะโอยก็ทุกข์แล้วนะแต่ว่านี่เขาไม่ยอมเนี่ยทว่าทีา่บอกว่าคนเราเนี่ยสําคัญตรงที่ว่าเราจะยอมให้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันมาบงการชีวิตเราหรือเปล่านะเราเลือกได้เราเลือกได้ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ดนะังการ ที่เลือกได้เพราไรเพราะเรามีสติเพราะเรามีปัญญาคือถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความเศร้าวความโศกความเสียใจความแค้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเข้ามาคลองติดคลองใจเราถ้าเรามีสติเราก็เห็นมัน เราก็รู้ว่าใจเรากระเพื่อมและใจเราก็ค่อยร้อนแลวใจเราก็หนักเราเห็นอาการเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ที่มันกดมันทับ จ, จิตใจเห็นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ตอกมันได้ ไม่ไปยึดมันปกติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปนะความโกรธความแค้นความโมโหความเสียใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่ที่มันไม่ยอมดับที่มันาคอยจิ้มแทงจิตใจเราไปยึดมันเอาไว้ใจเราไปยึดมันเอาไว้นอย่างที่บอกเมื่อเช้าว่าเวลาเราเกลียดใครเนี่ยเราโกรธใครเนี่ย เราจะนึกถึงเขานึกถึงหน้าเขานึกถึงเหตุการณ์นั่นเร่อยๆมันยึดเอาไว้มันไม่ยอมปล่อยนะเราไม่ได้ยึดเฉพาะของที่เราชอบของที่เราไม่ชอบเราก็ยึดเมื่อสักสอเดือนก่อนนี่มีญาติคนหนึ่งนะแกเรียกว่าหมกมุ่นกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองมากนะแล้วก็ ประกาศตัวเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็มีฝ่ายเสื้อแดงด้วยอันนี้เป็นเป็นเกิดขึ้นทุกที่แล้วเนี่ยในเมืองในชนบทวันหนึ่งก็เขาก็เห็นน้องสาวดูข่าวข่าวอะไรข่าวเกี่ยวเสื้อแดงช่วงใกล้ใก ล, ใกล้ใกล้เนสานะ มีการประท้วงกันก็ เ, เห็นน้องสาวดูข่าวรายงานเรื่องเสื้อแดงกำลับประท้วงเขาก็เลยไม่พอใจก็เลยว่าน้องมาดูไปทำไมไอ้พวกนี้เขาว่าน้องเขาโกรดน้องว่าไม่ควรดูไอ้ข่าวพวกนี้น้องเขาก็เลยเอ่าก็เลยไม่อยากมีเรื่องเขาก็เลยไม่ก็เลยปิดโทรทัศน์ 2ชั่วโมงต่อมาน้องเดินผ่านมาก็เห็นตัวที่สาวคนที่ว่าเขา น, นั่นแนหะดูข่าวดูข่าวเสื้อแดงดูไม่ได้ดูเปล่าเปล่าดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปนะเดี๋ยวนี้มีแบบนี้นะถ้าทักที่ไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่เห็นเป็นทุกข์กับสิ่งที่เห็น แต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ถ้าไม่ชอบก็อย่าไปดูมันสิแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบก็ยังดูดูแบบตรึงติดอยู่กับเก้าอี้เลยแล้วดูไปกระดาไปสิ่งที่ไม่ชอบมันก็สามารถดึงดูดจิตใจได้หรือผู้อย่างนี้คือว่าจมันก็เข้าไปยึดนะยิ่งไม่ชอบมาเท่าไหร่มันก็ไปยึดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดอยู่บ่อยๆนึกถึงบ่อยๆ ถ้าเพียงแต่ใจนิ่ปล่อยใจนิ่วางมันก็ไม่มีไม่มีความทุกข์แล้วแต่ทําไมถึงไปยึดมันทําไมถึงไปจดจ่อเฝ้าดูมันก็เพราะว่าความไม่มีสติพอไม่มีสติแล้วเราก็เลยทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็เลยไปโทษสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราได้กินว่าเนี่ยมันแย่มันเลวมันทําให้เราทุกข์แต่ที่จริง ไอ้ที่ทุกเนี่ยที่เราทุ ก, ก็พอใจลองของเราต่างหากที่ไะยึดมันนะเหมือนกับเรามีเรามีมีแก้วคมๆอยู่วางอยู่บนมือถ้าถ้าแก้วมันวางอยู่บนมือมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ถ้ามือไหก็ตามเรากําแล้วก็บีบเอาไว้แน่นๆเนี่ยมันก็จะบาดนิ้วเราบาดมือเรา เสรละปราด่ากแก้วว่ า, ว, าว่าทําให้ฉันเนี่ยมีแผลทาให้ฉันปวดอันนี้จะพูดได้ไหมว่าแก้วทำให้เราเนี่ยมีแผลทําให้เราเจ็บปวดอันน้ามันเป็นเพรใจของเราต้องหาที่เป็นกรรมไปดีบันเอาไว้ไปสั่งร่างกายมาตีเป็นกรรมมันเอาไว้ถ้าเราไม่กรรมไม่ดีบมันก็ไม่มีแผลแล้วยิ่งถ้าเราปล่อยเราวางมันเสียบมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ เวลาเราได้ยินได้ฟังหรือคิดนึกเรื่องอะไรก็ตามแล้วเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่าเพิ่งไปโทษสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คิดนึกว่ามันทําว่าเป็นตัวการที่ให้เราทุกข์ใจเราตังหากนะที่มันเป็นตัวการทําให้ทุกข์ใจที่ไปยึดไปติดเอาไว้ถ้าถ้าเราใจเราชอบยึดชอบติดเนี่ยนะ มันเจอแะ้วก็ไม่มีความสุขแม้แต่เวลาไปเที่ยวมีบางคนนะชวนปิดเสาวทิตย์หยุดวันหยุดหลายวันก็ชวนมาไปภูไปภูหลวงไปภูหลวงก็ออุจังหวัดเลยนี่แหละบอกลูกบอกออบอกสามีว่าให้ตื่นแต่เชานะ้ามาเจ็ดโมงจะได้ไปถึงภูหลวง น ะ, ะแ ต, แต่แต่บายแต่ว่าพอสามีตื่นสายลูกโอเอนะแม่นี่ก็ทุกขึ้นมาทันทีตั้งใจจะไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลายแต่ว่ากลับทุกข์ทำไมถึงทุกข์ก็เพราะว่าไปยึดติดกับไปยึดติดกับกำหนดการว่ามันต้องออกเจ็ดโมงนะ ถ้าออกสายไม่ได้นะเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถติดแล้วก็จะทำให้มีปัญหานะพอลูกพอพ อ, พอสามีนี่โอเอตื่นสายทุกเลยแล้วไม่ได้ทุกแค่ตอนก่อนจะออกนะขับรถไปก็ยังทุกนะทุกเพราะอะไรก็กังวลว่าเดี๋ยวจะไปถึงปู่หลวงนะค่ำนะ จะวุ่นวายยังไม่ทันจะถึงภูหลวงเลยยังไม่ทันจะมื่ยจะค่าเลยก็ทุกเส็จแล้วทุกเพราะอะไรทุกเพราะใจที่มันไปคิดล่วงหน้าไปกังวลล่วงหน้าว่าจะไปถึงค่ำจะไปะจะมีปัญหาเนี่ยใจที่ถ้าวางไว้ไม่เป็นเนี่ยแม้แต่ไปเที่ยวก็ทุกนะเพราะมันไปยึดเอาไว้ว่ามันต้องเป็นไปตามนี้ตามนั้นต้องเป็นไปตามกําหนดการต้องออกเท่านี้ หรือว่าไปถึงเท่าโน้ตกี่โมงพอมันไม่เป็นไปตามแผนมีทุกทันทีขนาะไปเที่ยวยังทุกเลยนะเพราะใจมันไปยึดเอาไว้ตอนที่จะไปเที่ยวได้แท้แต่ว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางการไปเที่ยวกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์บางทีไม่ใช่แค่ทุกข์อย่างเดียวไปทะเลาะกับสามีด้วยว่าทําไมถึงตื่นสายนักกันแล้วว่าออก ต, อต้องออกเจ็ดโมงนะนี่เหมาะแปดโมงนี่ก็ติดกันไปหมด รถติดนี่ทาให้สายไปเที่ยวแทนที่จะไปด้วยใจสบายสบายนะแค่ออกจากออกจากกรุงเทพก็เครียดกันละอันนี้เพราะใจเราที่มันไปยึดเอาไว้แต่ถ้าเรามีสติเราเห็น<แ>เห็นใจที่มันใจที่มันยึดมั่นถือมั่นใจให้ได้ใจให้ได้เป็นไปให้ไหม่ให้ทุกอย่างเป็นไปดังใจพอรู้แล้วก็มันวางไดนะ้แล้วเราก็จะรู้ว่าโอ ถ้าเรามีสติเราหันมาดูใจเรอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเป็นพอใจของเรานั่นแหละที่มันเป็นตัวการทําให้เกิดความทุกข์ถ้ามันจะไม่สงบก็ไม่สงบพอใจของเรานั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเราวางใจให้เป็นวางใจให้ถูกนะเราก็ไม่ว่าอะไรมากระทบกับเราเราก็ไม่ไม่ทุกข์นะ มีวัน2องวันที่ก่อนไีไปไปที่ปลายกับหลวงพ่อพยอมท่านก็เล่าให้ฝังท่านดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของช่องทีวีไทยเรื่องพลเมลเด็กบางคนเคยได้เคยหรือดูรายการนี้ประจำเป็นเรื่องเอาเด็กๆ เ, เนี่ยมามาทำกิจกรรมแล้วก็มีการถ่ายมีการ ดูมีการถ่ายอากับกิริยาของเด็กเหล่านี้ว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรวันนั้นเนี่ยเรื่องก็คือว่าให้เด็ก3คนเนี่ยผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองอายุ ป, ประมาณสิบสขวบเนี่ยขนของขึ้นรถไฟของนี่มันเยอะมากเขคงมีกิจกรรมหลายอย่างกิจกรรมหน่งเอาเด็กเนี่ยขนของขึ้นรถไฟเพราบว่าวันนั้นเนี่ยบ่ายวันนั้นเนี่ยหรือว่าประมาณบ่ายหรือช้าไม่ไมแน่ใจ มันมีรายการถ่ายทอดชกมวยสมจิตจงจอหอยใไหมสมจิตจงจอหอยใช่ไหมที่เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเด็กสองคนนั้นเนี่ยก็เป็นแฟนมวยก็เลยไม่ไปนขนของขึ้นรถไฟพากันไปดูโทรทัศน์ที่ร้านกาแฟที่เขาถ่ายทอดสดอยู่ เด็กผู้หญิงนะ่ยขนก็เลยขนของคนเดียวพิธีกรก็เลยไปถามถามเด็กผู้หญิงนะว่าหนูคิดยังไงรู้สึกยังไงที่ต้องขนของคนเดียวอีกสองคนนี่เขาไม่เลยมาขนของช่วยหนูเลยเขาไปดูมวยเด็กผู้หญิงนั้นก็ตอบดีนะั่นก็บอกว่าเขาชอบมวยนะเขาก็ไม่เคยจะมีโอกาสดูมวยเท่าไหร่ นะก็ให้เขาดูมวยไปเถอะนะหนูก็ไม่ใช่นสนใจมวยเท่าไหร่หนูก็ขนของหนูไปพิธีกรเก็ถามาว่าแล้วหนูนี่ไม่โกรธไม่คิดจะไปดา่าไม่คิดจะไปว่าเพื่อนสองคนนี่เหือเด็กก็ตอบน่าสนใจเดยกก็ตอบว่าหนูขนของเนี่ยนะหนูก็เหนื่อยต่อเดียวถ้าหนูไปดา่าเพื่อนๆ เ, เนี่ยหนูก็เหนื่อย2ต่อเลยนะ เนี่ยเตอบซื่อๆนะแต่ว่าเป็นคำตอบที่ฉลาดมากวนะเวลาถ้าเป็นเราเนี่ยเราทำงานนะต้องทำงานด้วยกันแต่ว่าบอกว่าเพื่อร่วงงานไปเที่ยวซะหรือไปทาอะไรไม่รูนะ้ใจเราเป็นไงใจเราโกรธใจเราโกรเป็นไงครานี้เราเราก็เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยกายไม่พอจึงต้องมาโกรธหรือถ้าเราไปว่าเขาเราเขาว่ากับ หรือไปว่าเขาแล้วเขาไม่ยอมที่จะไปช่วยเราเราก็ยิ่งโกรธใหญ่นะก็เรียกว่าเหนื่อยกายแล้วก็ทุกข์ใจนะกายก็เหนื่อยเพราะต้องต้องทำงานเังต้องทุกข์ใจแต่เด็กคนที่ฉลาดนะเขาเ้ายอมเหนื่อยอย่างเดียวเพราคือเหนื่อยกายแต่ว่าเขาไม่ยอมทุกข์ใจก็คือไม่ยอมกลัวไม่ยอมนะเลือกที่จะไม่ไปว่าเด็กไม่ว่าเพื่อนสองคนนั้นเห็นไหมว่าเนี่ยคนเราเนี่ย เราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบ้างบางทีเราก็เลือกไม่ได้นะว่าจะต้องมาเจอเพื่อรวมงานอย่างเด็กสองคนนี้ที่ไม่ค่อยเอาใจใส่แต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะให้ให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมากระทบใจเราแค่ไหนเ ร, เราเลือกที่จะให้ไม่ให้มันเนี่ยมาก่อความขุ่นเคือให้กับจิตใจของเราได้ เพราะเรารู้ว่าถ้าเราคุนเครืองใจเมื่อไหร่เราขาดทุนเราเป็นทุกข์ฉันขอเหนื่อ ย, อย่างเดียวพอฉันไม่ขอไม่ไม่ไมอเหอยืสองต่อนะนี่น เ, นเราเป็นผู้ใหญ่นะัาปฏิบัติธรรมบาทีเราเราคิดแบบนี้บางหรือเปล่าว่าการที่เร า, าไปไปโกรธคนนู้นคนนี้เนี่ยมันเป็นการทาร้ายทำร้ายจิตใจของเรา แล้วเราก็ไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์แต่ที่จริงใจของเราต่งางทางที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีปัญญาที่ไม่รู้ที่ไม่รู้เท่าทันในความโกรธนี้นะถ้าเรารู้เท่าทันนี่นะเราก็เออเราก็ทำงานของเราไปนะเรียกว่าถ้าถ้าเปลียนอุกประมาทปรมาทอย่างที่พระคุณเจ้าได้ตรัสนะก็บอกว่าเหมือนกับคนเจอธนูดอกเดียว คนธรรมดานี่เวลาเจอธนดอกเดียเนี่ยมันไม่เจอแค่ดอกเดียวเจอ2ดอกดอกแรกคือทุกทุกกายดอกที่2องคือทุกใจเนะหนื่อยกายไม่พอต้องเหนื่อยใจเหนื่อยใจเพราะว่าโมโหที่เพื่อนเขาอเอาเปรียบเราโมโหที่เจ้านายเขาไม่ไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเรานะโมโหที่เจ้านายไม่นความดีของเรา ทำไปก็บ่นไปทำไปก็บ่นไปนี่เราจเจอสองต่อนะทุกสองต่อทุกเพราะต้องทำงานหนะักแล้วก็ยังทุกข์ใจเพราะคอยบน่นใจนี่คอยบน่นคอยต่อว่าคนน้นคนนี้แต่ยิ่งต่อว่ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลับมาทำความทุกข์ให้กับเรานะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้นะว่าเราจะจะเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองหรือเปล่านะถ้าระวังใจเป็นนะ มันอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีความสุขได้เคยเคยเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องปลายสนีคนหนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับบรรยากาศนะที่พวกเรามามาปลูก ป, ป่าเพื่อช่วยลดโลกร้อนแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในเมืองมีคนหนึ่งเขาไยฟังวันนั้นเป็นวันนึาจะเป็นวันเสาร์เขาก็อากาศร้อนมากเขาก็เลยมา มันนั่งอยู่ในห้องแอร์ขนาดอยู่ในห้องแอร์ก็ยังหงุดหงิดเพราะมันความร้อนมันร้อนจริงๆแล้วเขาก็หงุดหงิดเพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงเสียงเรียกของไพร์ณีไพร์ณีเรียกตะโกนอยู่หน้าประตูบ้านเขาโกรธเขาหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากไปรับไม่อยากเดินออกไปรับเพราะถ้าเดินไปรับเนี่ยมันก็ไปเจอแดเจอแดดก็ก็ร้อนนะก็เลย ไม่ยอมออกไปแต่ปลายชนีก็ก็เรียกว่ามีความพยายามเพราะก็รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านเพราะว่าเห็นประตูเปิดอยู่แล้วว่ามีรถจอดอยู่ข้างในเขาก็เลยตะโกนนะตะโกนก็ตะโกนแล้วก็ยังไม่มีคนออกมาเขาก็เลยร้องเพลงร้องเพลงหมาในบ้านก็เ ห, านะเหาา่านะเห่าจนกระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยเลยต้องทนไม่ได้ต้องออกมาออกมารัก จดหมายออกมารับเอกสารจากไพรสเน่ออกมาก็เจอร้อนเลยนะออกจากห้องแอร์ก็เจออากาศร้อนเจอแดด ก, ก็ไม่ตังหงา ก, ก็ก็ไม่ค่อยสงบอารมณ์เท่าไหร่พอามรักของจากไพรสเน่สงสัยก็เลยถามไปรสเน่ว่าอากาศร้อนอย่างนี้ทําไมยังมีอารมณ์ ม, มาร้องเพลงอีกเขาไปรสเน่ก็ตอบดีเขบอกว่า อ, อากาศร้อนก็จริงครับแต่ว่า ทำใจให้เย็นได้ครับเนีที่ร้องเพลงนี่มันช่วยทําให้ใจผมเย็นโลคร้อนแต่ใจเย็นนี่มันทําได้นะครับพูดจบเขาก็ไปบ้านอื่นต่อนะโลกร้อนนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องร้อนใจไปด้วยนะโลคร้อนก็ไม่ใช่ว่าเราต้องทุกข์ใจไปด้วยนะโลกร้อนแต่ใจเย็นนี่มันทําได้นะไม่ต้องร้องเพลงก็ได้นะไปสุนีคนนี้ก็ใช้วิธีร้องเพลง ก็ทำให้เขามีความสบายใจแต่ว่าเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้ร้องเพลงก็ได้ใจเราสงบอยู่ข้างใ น, นเรามีสติรู้นะ ร, รู้รู้รู้ทันอาการของใจที่มันถูกทุกขเวทนาบีครันนะทุกขเวทนาก็อันหนึ่งนะทุกขทรมานก็อันหนึ่งกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนทำได้กายเหนื่อยใจไม่เหนื่อยนี่ทาได้ ถ้ากายเหนื่อยไม่มีสตินะมันก็ไอความเหนื่อยของการก็ทะลุไปถึงใจแต่ถ้าหากว่ามีสติเป็นปราการนะไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายมันก็มาอยู่ที่ใจมันก็ไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้นะอันนี้เราต้องอเราต้องต้องหมั่นดูใจของเราและเห็นปฏิกริยานะเห็นปฏิกริยาว่าความทุกข์กายก็อันนึงทุกข์ใจก็อันนึง มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตนะิแต่ตรงนี้แหละที่ทําให้เราเลือกได้ว่าเมื่อทุกกายแล้วเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราจะทุกใจหรือเปล่าหรือเราจะยอมให้ความทุกใจมันมาบงการเราจะยอมให้ความทุกกายมาบงการจิตใจให้ทุกหรือบางทีไม่ใช่ทุกกายแต่เป็นเรื่องเป็นความทุกเกี่ยวกับสิ่งแวด ล, ลอ้อมเข้าของทรัพย์สมบัตินะมันเสื่อมมันเสียมันหายไป ถ้าเราไม่ฉลาดในความความเสื่อมความเสียของสิ่งภายนอกมันก็ทะลุดูลงมาถึงใจได้แต่ถ้าเราฉลาดมันก็สับแต่วเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของสมบัตินอกตัวแต่มันทําอะไรจิตใจเราไม่ได้อันนี้เราเลือกได้นะอ่าแล้วก็พอสมควรแล้วกลาบมาพร้พอมกัน 挣嘛，挣不多。